เปุตชาวิภาคะว่าด้วยการจำแนกคำถาม3าม 398- าคำว่าท่านเห็นอะไรนั้นถามถึงอะไรคำว่าท่านเห็นว่าอย่างไรนั้นถามถึงอะไรคำว่าท่านเห็นเมื่ อ, อไรนั้นถามถึงอะไรคำว่าท่านเห็นที่ไหนนั้นถามถึงอะไร 399- คำว่าท่านเห็นอะไรนั้นได้แก่ถามถึงวัตถุถามถึงวิบัติถามถึงอาบัติถามถึงอัจฉาารย์คำว่าถามถึงวัตถุนั้นได้แก่ถามถึงวัตถุแห่งป ร, ราชิก8ถามถึงวัตถุแห่งสังคารทิเศษ23สสถามถึงวัตถุแห่งอนิยตสองถามถึงวัตถุแห่งนิสกี4ี ถามถึงวัตถุแห่งปาจิตตีรยแถามถึงวัตถุแห่งปาติเทสนยะ12ถามถึงวัตถุแห่งทุกกฎถามถึงวัตถุแห่งทุกภาสิทธ์คำว่าถามถึงวิบัตินั้นได้แก่ถามถึงศีลวิบัติถามถึงอาจาระวิบัติถามถึงทิฏฐิวิบัติถามถึงอาชีววิบัติ คำว่าถามถึงอาบัต์นั้นได้แก่ถามถึงอาบัตปาราชิกถามถึงอาบัตสังฆาทิเศษถามถึงอาบัตถทุลจใจถามถึงอาบัตปาจิตตีถามถึงอาบัตปาติเทสนิยะถามถึงอาบัตทุกกฎถามถึงอาบัตทุพภาสิทิ์คำว่าถามถึงอัจฉาจานั้นได้แก่ถามถึงกิ ที่ทำกันสองต่อสองสร้ 400. คำว่าท่านเห็นว่าอย่างไรนั้นได้แก่ถามถึงเพศถามถึงอิริยาบถถามถึงอาการถามถึงประการอันแปลกคำว่าถามถึงเพศนั้นหมายถึงสูงหรือเตี้ยดำหรือขาวคำว่าถามถึงอิริยาบถนั้นหมายถึง เดินหรือยืนนั่งหรือนอนคำว่าถามอาการนั้นหมายถึงเพศคฤหัตเพศเดียรถีหรือเพศบรรพชิตคำว่าถามประการอันแปลกนั้นหมายถึงเดินหรือยืนนั่งหรือนอนสเอ็ 401. คำว่าท่านเห็นเมื่อไหร่นั้นได้แก่ถามถึงการถามถึงสมัย ถามถึงวันถามถึงฤดูคำว่าถามถึงการนั้นหมายถึงเวลาเช้าเวลาเที่ยงหรือเวลาเย็นคำว่าถามถึงสมัยนั้นหมายถึงสมัยเช้าสมัยเที่ยงหรือสมัยเย็นคำว่าถามถึงวันนั้นหมายถึงก่อนอาหารหรือหลังอาหารกลางคืนหรือกลางวัน ข้างแรมหรือข้างขึ้นคำว่าถามถึงฤดูนั้นหมายถึงฤดูหนาวฤดูร้อนหรือฤ ด, ดูฝน402คำว่าท่านเห็นที่ไหนนั้นได้แก่ถามถึงสถานที่ถามถึงพื้นที่ถามถึงโอกาสถามถึงประเทศคำว่าถามถึงสถานที่นั้นหมายถึง พื้นที่หรือแผ่นดินธรณีหรือทางเดินคำว่าถามถึงพื้นที่นั้นหมายถึงพื้นที่แผ่นดินภูเขาหินหรือปราสาทคำว่าถามถึงโอกาสนั้นหมายถึงโอกาสด้านตะวันออกหรือโอกาสด้านตะวันตกโอกาสด้านเหนือหรือโอกาสด้านใต้ คำว่าถามถึงประเทศนั้นหมายถึงประเทศด้านตะวันออกหรือประเทศด้านตะวันตกประเทศด้านเหนือหรือประเทศด้านใต้มหาสงครามจบหัวข้อประจำเรื่องวัตถุนิทานอาการคำต้นและคำหลังสิ่งที่ทำแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ทำกรรมอธิกรสมถะ ลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชางังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงพิจารณาในฐานะที่ควรพิจารณาเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเลง็งเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสได้พักพวกแล้วดูหมิ่นฝ่ายอื่นมีสุตะแล้วดูหมิ่นฝ่ายอื่น แก่กว่าแล้วดูหมิ่นฝ่ายอื่นไม่พูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วเสื่อมอธิกรระงับด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยสัจตุศาสตร์เรื่องมหาสงคราม